ปฏบัตนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในคำถามของท่านโมกราชมานพที่ได้กราบแล้วว่าขา้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาเพื่อประสงค์จะกราบทูลถามปัญหาขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรด บอกแกข้าพระองค์ว่าก้ารองค์จะมองเห็นโลกจากโลกอย่างไรมัจุราชจึงจะตามไม่ทันคือมองไม่เห็นแปลเป็นไทยว่าคือไม่ต้องสู่อำนาจแห่งความตายอีกต่อไปคําว่าโลกในความหมายที่ทรงแสดงไว้โดยนิยาต่างๆนั้นเมื่อกล่าวโดยนิยามความหมาย ท่านนิยามว่าสิ่งใดย่อมเสื่อมสลายไปสิ่งนั้นเรียกว่าโลกเพราะคำว่าโลกจึงครอบคลุมสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปและแตกดับไปตามเหตุปัจจัยแม้ในชีวิตของบุคคลแต่ละคนก็ทรงใช้คำว่าโลกเช่นบัคขันทะโลกโลกคือเป็นเจขัน เป็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทัานี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเบญจขันธ์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แตกลับไปทำอำนาจของเหตุปัจจัยบางครั้งก็เรียกว่าอายตนะโลกโลกคืออายตนะทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกคือตาหูจมูกดินกายใจเป็นส่วนภายใน รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัเป็นส่วนภายนอกก็ได้ชื่อว่าโลกเพราะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันบางครั้งทรงใช้คำว่าธาตุโลกโลกคือธาตุได้แก่กลุ่มดินน้ำลมไฟอากาศและแม้แต่ตัววิญญาณเองก็สรุปรวมเรียกว่าโลกเช่นเดียวกันดังนั้นบางครั้งเวลาทรงสอนธรรมะเพื่อ ให้บุคคลผู้มุ่งปฏิบัติขัดเกล้าจิตใจให้เกิดความสงบโดยแนวสมถกรรมฐานหรือเกิดความรู้ตามหลักของวิปัสสนากรรมฐานก็ตามพระพุทธเจ้าจะรับสั่งโดยนัยสรุปคือย่อโลกที่เป็นระบบสุริยะจั ก, กรวาลเป็นแสนโกดจักรวาล น, นั้นมาไว้ในตัวของคนเพียงคนเดียว ว่าดูก่อนภิสูจทั้งหลายเราบัญญัติโลกการเกิดขึ้นของโลกความดับของโลกแล้วก็ปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับแห่งโลกที่สกลกายอันมีความยาวประมาณวานหนึ่งมีความกว้างประมาณกำมานหนึ่งมีความหนาประมาณศอกหนึ่งนี้เองแต่ในขณะเดียวกันก็โดยประยายเหล่าอื่น ทรงแสดงโลกออกมาในรูปแบบต่างๆเพราะว่าธรรมะที่ทรงสอนนั้นมีสองชั้นต้องการจะให้คนทุกระดับได้รับประโยชน์จากการศึกษาเรียนรู้ความจริงแห่งธรรมะเหล่านั้นในส่วนของสมมติสัจจะที่เราเรียกว่าเป็นโลกียธรรมคือธรรมะปฏิบัติสม บ, บุคคลผู้อย่างหมุนบนอยู่ในโลกในสังสารวัฏ ก็จะแสดงธรรมระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต จ, จิตใจให้มีความสงบขึ้นประนีตขึ้นเรียกว่าสอนให้มองโลกในแง่ที่จะลดความทุกข์เพิ่มความสุขในชั้นต่างๆตั้งในช่วงของชีวิตประจำวันและในและในช่วงที่ยาวนานกว่านั้นตลอดถึงช่วงที่เป็นสังสารวัตร ยนในกรณีของโอกาสสโลกโลกคือแผ่นด mm ินที่บุคคลอิงอาศัยอยู่นี้ถ้าเป็นคําสอนในชั้นศีลธรรมจัญญาที่มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ได้ยอมรับความจริงของสิ่งเดียดนั้นก็จะสอนให้บุคคลเรียนรู้ในกวดของธรรมทิติคือสิ่งนั้นตั้งอยู่โดยธรรมดาของมันเป็นธรรมนิยาม เกี่ยวกับอากาศบ้างเกี่ยวกับสาภาพพื้นแผ่นดินบ้างเกี่ยวกับชนิดของพืชบ้างเกี่ยวกับกรรมคือการไปกระทำของบุคคลบ้างเช่นแผ่นดินอยู่ดีๆคนไปขุดเป็นแม่น้ำเป็นคลองไปเป็นต้นภูเขาสูงๆอยู่คนไประเบิดให้ทำลายนี่มันขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระทำของคนก็ ม, มีความเปลี่ยนแปลงและเมื่อบุคคลอยู่ในโลก โลกนั้นเป็นทุกข์ษัตริย์เป็นปัญญาตับประรรมเป็นธรรมะที่จะต้องเรียนรู้ถึงความจริงให้เกิดความเข้าใจให้เข้าใจถึงลักษณะอากาศการหมุนเวียนของจากกาักรราศีขั้งขึ้นข้างแรมต่างๆเป็นต้นก็ส่งสอนไว้แต่เราถึงฤดูนั้นๆจะปฏิบัติตนอย่างไรประพฤติปฏิบัติตนอย่างไราสามารถบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นตามฤดูตามอากาศ ตามความวิปริตแปรปรวนของขันธาตุอายตนะภายในในเหตุปัจจัยภายนอกในชั้นของการบำบัดบำรุงรักษาก็ทําไปแต่เมื่ออาการรุนแรงของสิ่งเหล่านั้นยังไม่สงบระ ง, งับลงก็ส่งสอนเรื่องขันติธรรมให้บุคคลมีความอดกลั้นทนทานแต่วความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปตามนาฏของเราเสมอไป เจ็บค้าได้ป่วยอาจจะหายก็ได้อาจจะตายก็ได้หรืออาจจะไม่หายก็ได้ให้บุคคลไี้เสรียมใจยอมรับไว้ทุกด้านว่ป่วยขึ้นมาครั้งหนึ่งนั้นจะเป็นไปได้สามทางเสมอไปอย่างใดอย่างหนึง่ง อ, อาจจะหายอาจจะไม่หายอาจจะตายถ้าหายก็ดีไปเบื่อจะไม่ต้องมัวมองประมาทต่อไป ระบาดระวังไม่เกิดขึ้นบ่อยๆในกรณีที่ตายประเทียมใจ ย, ยอมรับความจริงของชีวิตว่าเป็นอย่างนั้นเองในกรณีที่หายในกรณีที่ไม่หายก็พิจารณาในแง่ของกรรมรถือว่าคนเรามีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมโรคที่แม้แต่หมอวิเศษอย่างไรรักษาไม่หายเช่นนี้ก็คงเป็นโรคที่เกิดจากวิบากกรรม การเสวยวิบากกรรมนั้นมีแม้แก่พระอาหารหันต์ทั้งหลายผู้หมดอสวะกิเลสแล้วท่านยังประสบโรคภัยที่เกิดขึ้นจากการเสียดแทงของกรรมนภาปราอะไรกระเราซึ่งเป็นสามัญชนจะไม่ประสบโกกัคปัญหาเหล่านี้นี่คือเป็นการเรียนรู้หาความเข้าใจและปรับใจให้ยอมรับความจริงทุกๆอย่างที่บังเกิดขึ้นแต่บางอย่างก็สอนในเรื่องโอกาสโลกคือที่อยู่อาศัยนี่เอง โดยทรงเห็นว่าบุคคลกลุ่มนั้นระดับนั้นยังไม่มีพื้นฐานบา ร, รมีที่จะบำเพ็ญเพียรจนบรรลุมรรคผลไปได้ก็ทรงพรรณนาโลกความวิจิตพิศนพิสดารสวยงามของโลกในแง่ผมต่างๆซึ่งมักจะแสดงแก่คนที่ได้รับการฟอกอัตยาสัย ฝึกปลื้ u ิตใจเสริมสร้างศรัทธาความเชื่อความเริมใสายให้เกิดสูงขึ้นจนเกิดมีความชื่นชมยินดีในการให้ทานการรักษาศีลเป็นต้นแล้วก็อาศัยทานศีลเป็นเหตุก็ทรงแสดงผลคือสวรรค์ที่เราเรียกว่าสักขะกถาไปทรงแสดงความสวยงามความวิจิตรสกานของสวรรค์ในด้านต่าง อายุวันะสุขยศบริวารที่เป็นทิพย์มีความสุขความประณีตขึ้นไปเป็นชั้นชั้นทั้งในชั้นจิตของผู้ที่อยู่ในสวรรค์ภพนั้นๆทั้ทงในชั้นของสภาพแวดล้อมของภพของสวรรค์ชั้นนั้นๆซึ่งหมายความว่าการแสดงแนวนี้เป็นการแสดงในระดับที่ให้หนีความทุกข์ เพิ่มความสุขขึ้นโดยลำดับแต่ไม่ใช่สุขที่แท้จริงพอดีคนกลุ่มนี้ไม่สามารถสัมผัสสุขที่แท้จริงได้ก็จะสอนระดับที่เขาทำได้เพราะการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นจะทรงมุ่งไปที่ผู้รับเป็นประการสำคัญใครสามารถรับได้ขนาดไหนก็จะสอนระดับนั้น ทำนองเดียวกับหมอเยี ย, ย, ยรักษาโรคก็ดูส ม, มุทรฐานโรคดูอาการของโรคดูสมมัตฐานโรคดูยาที่จะใช้ไปเพื่อแก้ไขมมตัวสมุทรฐานโรคแล้วก็วางยาไปตามสมควรแก่ส ม, มุทรฐานของโรคที่บังเกิดขึ้นโดยมุ่งผลอาจจะเป็นการบรรเทาอาจจะหายหรืออาจจะไม่หายก็ตามแต่ก็เป็นการชะลอเอาไว้ คำสอนเรื่องนี้อยู่ในศักกะคถ า, ฐาเป็นคำสอนที่สอนมากในระดับทั่วไปที่เรามาพูดกันว่าเป็นภูรานุสาสนีคือคำสอนที่ทรงชี้แจงแสดงสั่งสอนไว้ในที่ต่างๆเป็นอันมากดังนั้นเรื่องของวิญญาณทิฏฐิที่ตั้งแห่งวิญญาณที่มีอยู่เจ็ดประเภท สตาวาสคือที่อยู่ของสัตว์จึงมีความประณีตแตกต่างกันออกไปเก้าประเภทจะ แ, แสดงถึงภพชาติต่างๆมีอบายสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์หกพรมโลก16อรูปอรูปภพหรืออรู ป, ปรพรมที่เป็นอรูปอีกสล้วนเหล่านี้ก็เป็นการแสดงโลกในแง่ที่ให้บุคคลเพิ่มกุศลและธรรมขึ้นเพื่อนหนีทุกข์จากนารกเป็นต้นเรื่อยไป ให้ขึ้นสูงขึ้นไปโดยดั่ดแต่ก็สงเชียเห็นว่านี้ก็เป็นวัดตะเพียงแต่อยู่นานหรืออยู่น้อยเท่านั้นเองแต่ว่าบุคคลมีอุปนิสัยปัจจัยที่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็จะทรงสอนอีกชั้นหนึ่งให้มองโลกอีกแง่หนึ่งเพราะโลกเหล่านี้ก็คือพวกของกรรมคุณจะมีความประณีตอย่างไรก็ตามก็คือเรื่องของกรรมคุณ เป็นบ่วงเป็นเครื่องผูกเป็นกรงเป็นพวงดอกไม้ก็แล้วแต่จะใช้ว่าจะพูดกับใครที่ก่อให้เกิดอาการสยบติดเพลิดเพลินรุณ์หลงหลงอยู่ในที่เหล่านั้นพระเจ้าจะทรงสอนในแนวของวิปัสสนากรรมฐ า, านซึ่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็จะพบว่าอาศัยโครงสร้างของใจลัก อยื่อนิจังทุกขังอนัตตานั่นเองแต่ชั้นศีลทำจันยาสอนในชั้นบันเทาทุกแต่ในขณะเดียวกันก็ให้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นแก่เปลี่ยนแปลงแป ร, แ ป, รปรวนไปได้เพื่อกระตุ้นเร่งร้าให้บุคคลเสริมสร้างเหตุปัจจัยแม้จะมีความแปรปรวนก็ให้แปรปรวนช้าหน่อยได้พบได้ชาติที่สูงขึ้นหน่อย มีอายุยืนหน่อยได้สัมผัสความสุขมากหน่อยแต่ก็คือความเปลี่ยนแปลงในชั้นที่ลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้นก็จะสอนในแง่ที่จะถ่ายถอนความทุกข์และความสุขโดยมองเห็นว่าจะเป็นความทุกข์หรือความสุขก็ตามแต่เป็นชั้นของความสมมุติเพราก็เป็นเหมือนกับคนที่เกาแผลขัน ความสุขระดับโลกีธรรมจึงเหมือนกับการเป่าเกาแพลของคนที่คันรู้สึกคันขึ้นมาก็ได้เกาแล้วก็หายคันก็รู้สึกว่าเป็นสุขแต่ว่าวหลังก็ต้องเกาเอกีกหายอีกก็รู้สึกเป็นสุขอีกแล้วก็เกากันอีกจึงสอนในรูปของการถ่ายถอนความทุกข์ให้สิ้นเชิงเป็นความทุกข์ที่ปราศจากการเกา ใ น, นเรื่องการแสดงโลกในนัยนี้จึงได้พบเห็นโลกโดยในวิธีการต่างๆเป็นคู่ๆเป็นกลุ่มๆไปยันทรงแสดงถึงสังขารโลกโลกคือสังขารธรรมทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองใคยบุคคลเรียนรู้ความจริงของสิ่งเหล่านั้น ทั้งมีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองว่าเกิดขึ้นจากพือชนิยมกรรมนิยมอุตุหรือฤดูนิยมเป็นต้นมีเหปัจจัยทั้งเป็นส่วนรูปธรรมและนมามธรรมไม่มีใครสร้างไม่มีใครกอไม่มีใครแต่งตั้งขึ้นมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเท่านั้นเองและสังขารเหล่านั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องแตกดับไป จะเป็นของทิพย์จะเป็นของมนุษย์ก็ต้องแตกตักเพียงแต่ชา้าหรือเร็วเท่านั้นเองก็สอนให้ศึกษาสังขารในแง่มุมต่างๆคือก้อนี้แม้จะมองในจุดเดียวศึกษาในแง่เดียวบุญเดียวคือเรียนรู้จากสังขารชิ้นใดชิ้นหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นภาค พ, พื้นเบื้องต้นถ้าปัญญาเหน็นชอบเกิดขึ้น ใจิตใจของบุคคลเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดรอยวางความยึดติดในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นได้โดยลำดับความโปร่งเบาก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตการยึดมั่นถือมั่นในสัตว์ในสังขารเหล่านั้นว่าเป็นของเราก็ดีว่าเป็นเราก็ดีเป็นตัวตนของเราก็ดีจะไม่อยู่ในกรณีที่ควรมีแต่เมื่อถึงคราวสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไป ก็พร้อมที่จะปล่อยวางด้วยการยอมรับความจริงดังที่กล่าวแล้วแม้จะมองในสายของความไม่เที่ยงหรือสายของความเป็นทุกข์หรือสายความเป็นนัตตาได้แก่ไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่เห็นได้โดยปัญญาชอบจริงๆแล้วจิตใจของบุคคลก็จะถ่ายถอนความกำหนัดความเพลิดเพลิน ความยึดติดหรหมแมต่ความจริงช่งโกรธแค้นออกไปได้ยาที่ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นเขาจะหน่ายในทุกจะถามว่าทุกอะไรก็คือทุกข์ขักขันทุกที่เกี่ยวข้องกับขันที่แสดงออกมาโดย วิธีการต่างๆก็แล้วแต่จะพูดให้วิจิตพิสดารออกไปอย่างไรเพราะเป็นภาระที่ต้องแบกภาระที่จะต้องเดือดร้อนในการปนปลือบำรุงบำเรอเยียวยารักษาแก้ไขด้วยประการต่างๆและเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถืบมั่นโดยนาตของตันหาอุปาทานที่มีอยู่ในสังขารเหล่านั้น ก็อนี้อย่างที่ทรงแสดงเจาะลงไปเฉพาะในเบนจขันที่ว่าขันทั้งห้านั้นเป็นภาระหนักหนักทั้งในด้านการบริหารให้ดูตัวอย่างรูปประคันเพียงอย่างเดียวเราพยายามมาอกเอาใจแกด้วยประการต่างๆรนปลือแกไปมากเป็นพิเศษกว่าสิ่งอื่นเพียก็ต้องนอนให้แก เหนื่อยก็ต้องพักให้แกสารพัดที่จะทนุถนอมเอาใจแกอยากได้เสื้อผ้าสวยๆก็หามาให้อยากกินของอร่อยก็หามาให้กินเหนื่อยากลำบากอย่างไรก็เอาปลปนเปือแกไปแต่บทแกจะป่วยแกจะเจ็บพูดกันไม่รู้เรื่องเลยแกก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของแกเพิน่นแบกรูปอย่างเดียวก็เดือดร้อน รูปประคันอย่างเดียวคือไม่เอาต้องขันอื่นเอาเฉพาะรูปประคันก็หนักแหละที น, นี้เราจะต้องไปแบกขันของคนอื่นด้วยรูปประคันต่างๆซึ่งบางครั้งแบกกันไปในลักษณะที่ทั้งหาบทั้งเทินคือแบกรูปทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันและทั้งในอนาคตเป็นลุงเป็นยายญาติพี่น้องที่ตายไปแล้ว อยู่ดีมีสุขอย่างไรก็ไม่รู้ต้องไปหาหมอนั่งทางในช่วยดูสิว่าพ่อตายไปอยู่ที่ไหนสุขทุกข์อย่างไรขอให้พระช่วยเหลือหน่อยพ่อแม่จะลำบากยากเก็นอย่างไรก็ไม่รู้ แ, แบกขันอยู่ข้างหลังที่อนาคตลูกหลานต่อไปจะเป็นอย่างไรแบกขันห้าของเราในปัจจุบันก็ไปเทินไว้บนหัวมีลักษณะที่ประหลงพรัง แม้แต่เวทนาเราก็แบกอย่างนั้นเวทนาขันคือการสวยอารมณ์สุขทุกข์ที่บางเกิดขึ้นบางครั้งลูกอยู่คนละทวีปกันลูกข่าวอากาศหนาวลกข่าวสงครามลูกข่าวความเดือดร้อนต่างๆใจก็เอื้อมไปแบกขันของลูกอีกห้าขันเป็นวงวิตกกังวลเสียเงินเสียทองตัวรัพท์สอบถามข่าวด้วยประการต่างๆ แม่ก็บอกว่าดีสบายดีไม่เป็นไรใจก็ไปปรุง่เออตอนนี้แกสบายดีอีกชั่วโมงข้างหน้าเป็นยังไงไม่รู้ต้องโทรถามอีกแล้วโทรถามสองสองสามชั่วโมงก็ยังไม่เป็นไรตกลางคืนดึกขึ้นมาก็เป็นห่วงว่าหลายชั่วโมงแล้วไม่ได้ติดต่อเหตุการณ์ตางนู้นเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็เสียสตางค์อีกเนี่ยคือลักษณะของใจที่ไปแบกขันเอาไว้ เราเห็นว่าขันแต่ละขันนั้นหนักทั้งนั้นและในกรณีของทุกเวทนาที่บังเกิดขึ้นโดยการปรุงแต่ ง, งตัวเองโดยการซ้ําเติมตัวเองในการคิดเอาในลักษณะที่ไม่มองในเชิงชีพเขียงมองคล้ายๆว่าความทุกข์ทั้งหลายในโลกที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นมาอยู่ที่เราคนเดียว จนไม่อาจจะทนทานไหวใจก็ไปปรุงเพิ่มขึ้นคิดเพิ่มขึ้นความทุกข์ในเวทนาก็มากขึ้นตัมนัษยคือเกิดขึ้นภายในใจก็จะติดตามมาเพิ่มขึนนี่แสดงเห็นว่าขันแต่ละขันแม้เพียงขันเดียวก็สาหัสสากันทั้งหมดยิ่งสัญญาความจําเรื่องที่ไม่ควรจําก็ไปจําไว้ เรื่องธรรมะธรมโอทั้งอ่านทั้งฟังทั้งสนทนาจำยังไม่ได้เลยแต่ว่าเรื่องไม่ดีเรื่องคนดา่าเรื่องคนนินทาเรื่องคนว่าร้ายต่างๆคนทําให้เจ็บใจต่างๆอุตส่าห์เก็บอุตส่าห์จำไว้ไปอย่างดีณ ท, ทางที่รู้ว่าเนี่ยคือจับเข้าก็ร้อนคิดถึงก็ร้อนถ้าปล่อยวางจะได้ก็ไม่ร้อนแต่อย่างอุส่าอุ้มอย่งางอุตส่าเก็บอย่างอุตส่าห์ ยึดไปถือเอาไว้ทังนั้นพวกเหล่านี้ถ้ามาถึงจุดของการสอนเขาเห็นว่าชั้นศีลธรรมจัญญานั้นคนเราต้องมีมีกันมาเป็นขันขันทีละห้าขันห้าขันแต่คนหนึ่งก็มาห้าขันคนหนึ่งก็มาห้าขันคาสอนจะออกมาอีกรูปหนึ่ง ต้องการให้บริหารขันแต่ละขันเจนสามีปัญญาอยู่ร่วมกันต้องปฏิบัติหน้าที่โดยความเอื้อเฟื้อต่อกันอย่าทะเลาะวิวาดกันอย่านอกใจกันเกิดลูกขึ้นมาอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีมีความเจริญข้าวหน้าแม่จะไม่ต้องไปแบกอีก5้าขันในชั้นนี้ที่จริงมันก็แบกแต่แบกอย่างเบาๆพอถึงชั้นหนึ่งท่านก็สอนในจุดนั้นเอง เกิเตรียมใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงความพลัดพรากความสูญเสียความไม่เป็นไปตามที่เราอยากจะให้เป็นอยากได้ลูกผู้ชายไปได้ลูกผู้หญิงอยากให้ลูกดีก็ไม่ดีสมใจอยากจะให้ลูกศึกษาเล้วเรียนในสิ่งที่เราชอบลูกไว้เล้วเรียนเป็นต้นถ้าเอาใจไปปักไปยึดไปถือมากคนก็แบกขันแบกโลกไว้มาก และบางครั้งบางคราวแม้เห็นความเจริญก้าวหน้าของลูกแล้วยังเอาไปเปรียบเทียบกับความคิดของตัวเองเบื้องตน้นเชนลูกจะเรียนเป็นหมอพ่อแม่ต้องการเรียนวิศวะพอลูกจเจริญก้าวหน้าในทางเป็นหมอแม้จะเจริญแล้วก็ยังเอาไปเทียบกับวิศวกรบางคนซึ่งประสบความสำเร็จดีกว่าลูกของตนมาน้อยใจแบกความทุกข์เอาไว้บอกไหมละ่ะฉันบอกแล้วแม่บอกแล้ว ว่าถ้าเรียนเป็นวิศวกรก็รวยอย่างเพื่อนของแกแล้วมีมาเป็นหมอก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นี่คือลักษณะของการแบกที่จริงเรื่องทั้งหมดนั้นมันตายไปนานแล้วมันเกิดขึ้นแล้วในอดีตดับไปแล้วในอดีตแต่คนก็ยังไปแบกไว้เพราะันโลกจึงทำให้สัตว์คล่องคนจึงเรียกว่าสัตว์แปลว่าคล่องเป็นคล่องไปติดไปยึดอยู่ บางทีคล้องในลักษณะที่ทรงแสดงว่าคือมันสร้างขึ้นเองโดยทรงอุปมาว่าเหมือนกับมแมลงมุมที่ทำรังแล้วไปขังตัวเองอยู่ในรังรังนั้นเมื่อก่อนไม่ได้มีหรอกตัวเองไปสร้างขึ้นแล้วก็ไปติดอยู่ในรังที่ตัวเองสร้างขึ้นนั่นเองปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลในแง่ของสังขารโลก ที่ทำให้ใจของบุคคลข้องพล่านไปสายไปในสังขารทั้งเป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันนั้นมีเป็นนั้นมากที่บุคคลสร้างขึ้นเองถ้าไม่มีสิ่งนั้นความทุกข์ก็ไม่มีแต่ก็พยายามมีคือแม้แต่อยากจะให้มีอยากจะให้เป็นตามที่ตัวต้องการพอไม่มีไม่เป็นตามที่ตัวต้องการก็เกิดทุกข์ ถือว่ากันตามความเป็นจริงแล้วถ้าหาวกาคนหยุดคิดหยุดตรวจสอบว่าเราจะไปเอาอะไรกับคนอื่นกับขันห้าขันอื่นกองอื่นแม้ขันห้าของเราเราก็บังคับไม่ได้บังคับไปเป็นไปาตามที่เราต้องการไม่ได้แกจะป่วยยามแก่จะป่วยแกก็ป่วยยามจะเจ็บแกก็จเจ็บดังนั้นจึงทรงสอนให้มองดูโดยเฉพาะขัน ก็ขาน่ า, น, านั้นเป็นภาระหนักแต่บุคคลก็ยังไปแบกขันห้าเอาไว้อยู่คนเดียวไม่พอก็ไปหาครอบครัวเข้าหาครอบครัวแล้วไม่พอต้องมีบ้านเล็กบ้านน้อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมีบ้านในกรุงเทพหลายบ้านยังไม่พออุตส่าห์ไปหาบ้านไว้ต่างจังหวัดนอนบ้านในกรุงเทพเป็นห่วนบ้านห่วงบ้านต่างจังหวัด มองบ้านนอนบ้านต่างจังหวัดรู้ข่าวไฟไหม้กรุงเทพไปบ้านเราไหม้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้จะนอนไมหลับอกีกนั่นคือลักษณะของใจที่วิ่งวิธีการของพระพุทธเจ้านั้นทรงบัญญัติไว้ในพระบิดในในรูปนี้เรื่องมา่งให้พระได้รู้สึกปล่อยวางพระสงฆ์รูปหนึ่งนั้นจะเป็นเจ้าของเสนาสนะสองหลังไม่ได้จนอยู่ในวัดหนึ่งก็มีกุฏิอยู่หลังเดียว แลาจะไปถือเศนาสะนะอีกวัดหนึ่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะนั่นคือความยตดมั่นหรือมั่นในสังขารแล้วกลายเป็นแบกสังขารจิตปุกพันอยู่กับสังขารเหล่านั้นบุาษร า, าทาความดีทั้งมากมายกายกองตายไปโดยจิตยึด ก, กับกุติของเรากุติของฉันของฉันมากลายเป็นผีสิงกุติเป็นเจ้าที่เจ้าทางอย่างในที่ต่าง อย่างที่ท่านเล่าไว้ในที่หลายหลายแห่งเพราะนโลกเหล่านี้จึงเป็นที่ตั้งของความทุกข์ถ้าบุคคลแบกเอาไว้ดังนั้นจึงทรงสอนว่าถ้าปล่อยวางได้กาหน้าเป็นภาระหนักจริงแต่บุคคลยังแบกขันเอาไว้การปล่อยวางขันจะได้มันก็เป็นสุขแต่มีข้อแม้ว่าไม่ได้วางเพื่อจะแบกต่อไปมากกว่านั้น บันทีวางอย่างหนึ่งแต่ไปแบกหนักกว่าเดิมอีกล้วก็หนักกันไปใหญ่แต่ระดับของศีลธรรมจัญยาคนเรายังต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องล่บนี้สิ่งล่บนี้ก็ส่งสอนเน้นในการรู้ตามความเป็นจริงในช่วงทำงานจะต้องปฏิบัติภาระหน้าที่ก็ทำไปเสร็จงานก็ต้องเสร็จไม่ทำตนกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟ กลางคืนก็นำเรื่องที่ผ่านมาแล้วเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นมาตรึกนึกบุนวายด้วยประการต่างๆพอถึงรางวัลก็วุ่นอีกจิตใจของบุคคลก็ไม่สงบสุขภาพกายสุขภาพใจก็เสื่อมโทรมความทุกข์ก็เกิดขึ้นกัดกร่อนจิตใจทำให้ไม่สามารถสัมผัสความสุขในโลกและยิ่งกันไปกว่านั้นอาจจะเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้น เพราะอาศัยสัตว์และสังขารที่ตนไปยึดมั่นหรือมั่นโดยความเป็นของของตนต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป